นะมัชราชจริยาพระโพธิสัตว์เกิดเป็นปลาอีกโหนดคิดให้ดีเนีเห็นปลาช่อนเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระโพธิสัตว์เลยได้เลยดีไม่ได้บอกว่าบอกเป็นกบด้วยอเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งในกาลเมื่อเราเป็นพญาปลาเรียกว่ามัชราชหรือพญาปลาเนี่ยนะอยู่ในสระน้ําในสระแห้งขอดเพราะแสงอาทิตย์ในฤดูร้อน ก็จริงนะที่ที่รัตร์รัตหนึ่ที่อินเดียที่ตายไปพันกว่าคนปีนี้ะนะที่แผ่นดินมันแตกระแหงมันมันแตกระแหงแบบมันแตกระแหงจริงๆอะ่ะเขาเข้ามานี่เป็นคนชนบทนี่ถือว่าเห็นบอ่อน้ําสระน้ําคลองแตกระแหงนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเรื่องพอสระน้ําแห้งขอดเพราะแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนที่นั้นเนี่ยกาแรง นกกระสานกตะกลมและเหยี่ยวมาคอยจับปลากินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแสดงว่า น, นี่ในป่านันเนี่ยถ้าเขตบ้านเขาเอาไปต้มตั้งนานแล้วในครั้งนั้นเราก็คิดอย่างนี้ว่าเรากับหมูญาติเนี่ยนะชาตินั้นมีปลาเป็นญาติถูกทุกบีบคั้นจะเพึงเปลื้องหมูญาตให้พ้นจากทุกได้ด้วยอุบายอะไรนอเนี่ยน ะ, น, ะน้ำก็แห้งขอดทุกคนเนี่ยนอนจมอยู่ในโคลนตมเนี่ยนะ เจอถ้าเป็นบางแห่งเนี่ยนะที่เขาไปวิทปลาเนี่ยเขาจะสูบน้ําออกจากบอ่อหมดพอสูบน้ําออกจากบอ่อหมดเขาก็จะกุยหาปลาตามคโคลนตามตมเนี่ยนะที่สุดเท่าที่จะเก็บได้บางทีก็มันมืดก่อนก็เอาปลาไม่หมดปลาก็จะหมกตัวอยู่กับปลักเนี่ยนะกับคโคลนอันนั้นอนะ่ะเสร็จแล้วในที่สุดมันค่อยๆแห้งพวกนกพวกอะไรก็จะมาคอยจิกคอยกัดคอยกินเนี่ยนะ ทนี้จะพ้นจากทุกข์ได้ยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าคําว่าสัตว์นี่แปลว่าอะไรสัตว์สัตว์แปลว่าผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความที่สัตว์นี่ก็ติดข้องในสิ่งเหล่านี้เมื่อติดข้องกับตะกุยหาตะเกียกตะกายหาว่าจะออกได้อย่างไรเนี่ยนะดิ้นรนก็าบอกปลาอยู่ในน้ําน้อยนี่มันดิ้นรนรุนแรงที่สุดเลยนะมันมันสุดชีวิตสุดความสามารถที่มันดิ้นรนนี่เขาจะทํำยังไงจึงจะได้พ้นทุกขน์นาะ ถ้าเราเป็นปลาอยู่ในน้ําน้อยเราจะคิดถึงอะไรนึกไม่ออกนะเนี่ยท่านก็ดูพระโพธิสัตว์ท่านนึกได้ว่าเราคิดแล้วได้เห็นความสัตว์อันเป็นอัดอันเป็นธรรมว่าเห็นแต่สัจจะนี่แหละเป็นเหตุเป็นผลก็คือความคิดของท่านเนี่ยถ้าดูตามนี้นะไม่ได้ขัดต่อหลักการรู้อริยสัจเลยเป็นความเห็นที่สอดคล้องต่อหลักอริยสัจที่เรียกว่าเหตุผลอัดกรรทเนี่ยนะเพราะว่าทุกสัจเป็นอัดสมุทัยสั์เป็นธรรม นิโรสัจจะเป็นอัดมรรคสัจเป็นธรรมมันคันลองแห่งการคิดทั้งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ฝืนธรรมดาเลยเป็นความคิดที่เห็นตามสัจธรรมอยู่เสมอท่านท่านก็บอกว่ า, วาความสัตว์นี่แหละเป็นอัดเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติเราได้เราตั้งอยู่ในความสัตว์แล้วจะเปลื้องความพิรุษใหญ่ของหมู่ญาตินั้นได้เรานึกถึงธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลาย ธรรมะของสัตว์บรุษมีใครบ้างก็นับตั้งแต่มนุษย์ที่เป็นสัตว์บรุษก็ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทอยู่ในฮิริโอต ป, ปะอยู่ในศีลสมถะวิปัสนาเป็นต้นนั่นแหละหรือคิดถึงอวิหิงสาการไม่เบียดเบียนสัตว์ก็คือนึกถึงเมตตานึกถึงกรุณานั่นแหละโดยเฉพาะการุณาเนี่ยนะที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ในสัตว์โลกแล้วก็กรุณานี่แหละซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะ นึกถึงธรรมนึกถึงการไม่เบียดเบียน น, นะธรรมะของสัตว์บรุษการไม่เบียดเบียนเนี่ยนะคือถ้าดูตามนี้ก็คือปัญญากับกรุณานั่นแหละวะ่าปัญญากับกรุณานั่นแหละที่ยั่งยืนและก็เป็นประโยชน์มากเราได้ทําสัจจ ก, กิริยาว่าตั้งแต่เราระลึกถึงตนได้ตั้งแต่ตั้งแต่รู้ตัวนะตั้งแต่รู้ตัวว่าเออตัวมาเกิดเป็นปลาเนี่ยนะพอรู้ตัวว่าเป็นปลาเนี่ย ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้เราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความลําบากเลยโอ้โหปลาที่ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เลยนะรู้ตัวเลยนะรู้ตัวว่าเรานี่เป็นรู้ตัวว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ <c oughs> รู้ตัวว่าสแสวงหาโพธิญาณแล้วก็แต่ว่าบัดนี้ได้มาเกิดเป็น ปลาเนี่ยก็รู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่คิดจะแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความลําบากเลยด้วยสัจวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกหาใหญ่ในเมฆท่านจงเปล่งสายฟ้าคํารามให้ฝนตกจงทําขุมทรัพย์ของกาให้พินาศท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจงปลดเปื้องฝูงปลาจากความโศก พร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาเมฆ ก, ก็ทรงเสียงสนั่นขั้นคลื้นยังฝนให้ตกครู่เดียวนะครู่เดียวก็เต็มเปี่ยมทั้งที่ดอนและที่ลุ่มครั้นเราทำความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นป่านี้แล้วอาศัยกำลังอนุภาพความสัตย์ยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัต์ หรือผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราใครจะเชื่อนะว่าบางช่วงเนี่ยนะท้องฟ้าโปร่งพักเดียวเนี่ยเมฆมาเต็มไปหมดฝนตกแป๊บเดียวเนี่ยนะทันอย่างในแถวแถวทะเลด้วยเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยลงโล่งเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วพันธาต ร, รู้ได้ไหมว่าที่ตกเนะี่ยด้วยอนุภาพของอะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้เมฆมารวมตัวแล้วพร้อมที่จะตกแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เมฆมาหายไปโดยทั่วไปบอกธรรมดา ธรรมดานี่แปลว่าไม่รู้หรอกธรรมดาบางทีเนี่ยแปลว่าไม่รู้นั่นแหละก็มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยด้วยแรงแห่งสัตว์จะแรงแห่งอธิษฐานอันนี้แหละทำให้เมฆ ร, รวมตัวแล้วก็ฝนวันที่มาของคําว่าคาถาขอฝนอย่างหน้าเนี่ยนะฤดูเนี่ยถ้าที่ไหนแห้งแล้งเขาจะว่าสวดคาถ า, ถา ข, อขอฝนก็ขอขอนจะเอาคาถาเราเนี่ยไปสวดก็คือเอาอถ้อยคําที่พญา ม, มัชยราชกล่าวเอาไว้นั่นแหละ พูดถึงพระโพธิสัตว์เกิดเป็นปลาเนี่ยนะเกิด<อ>เป็นปลานี่ก็น่าคิดนะว่าเป็นปลาได้ยังไงทำบุญมาขนาดนี้ยังตกไปสู่ฝูงปลาทบทวนนะว่าลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของปลาทั้งหลายที่ที่อะไรฝนมาแรงอะนะมันแรงโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ย เกิดความสงสารเกิดใจกรุณาเนี่ยนะกรุณาทั้งตัวเองที่จะตายกรุณาทั้งหมู่าติปลาทั้งหลายที่จะตายแล้วก็เห็นญาติทั้งหลายคือญาติที่เป็นปลาเนี่ยถูกอีกาจิกไปกินทีละตัว2ตัวไปเรื่อยเนี่ยนะนอกจากเราไม่มีผู้อื่นที่สามารถจะปลดเปลื้องญาติทั้งหลายของเราให้พ้นจากทุกนี้ได้เราจะปลดเปลื้องปลาเหล่านั้นจากทุกนี้ได้ด้วยอุบายอย่างไรเนอ ช่วยเขาได้ยังไงช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างไงช่วยได้อย่างไรนะความคิดว่าจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะสิ่งนี้มีอุปการะมากก่อโลกจริงๆนะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความคิดอันนี้นะจะช่วยทำให้สบายขึ้นได้อย่างไรขอให้มีโจทย์เถอะในที่สุดก็ก็ตอบได้หมดนะขอให้ตั้งโจทย์ว่าอย่างพระพร่อองค์เนี่ยที่พี่พระองค์ตั้งโจทย์ว่าจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไร โจ์อันนี้พระองค์ตั้งมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับในที่สุดพระองค์ก็ทำได้สำเร็จเนี่ยนะในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจว่าถ้ากระไรเราพึงทําสัจจกิริยาอาศัยสัจธรรมที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่ก่อนคืออะไรท่านระลึกรู้เลยนะว่าทางของพระโพธิสัตว์ท่านดำเนินกันมาอย่างไรนะแสดงว่าเป็นปลาก็รู้ตัวดีนะรู้ตัวระลึกชาติได้ รู้ถึงเหตุะรู้ถึงความเป็นไปของสังสารวัตรรู้ถึงข้อปฏิบัติของผู้ที่ปรารถนาจะตรัสรู้เนี่ยนะผู้สแสวงหาคุณใหญ่กนก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์กรกรพระองค์เหล่านั้นประพฤติสะสมมาและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวตัวเราก็คือตัวของปลาเนี่ยนะเรายัางฝนให้ตกสละชีวิตเป็นทานเพื่อหม่ญาติของเรา ด้วยเหตุนั้นเราได้ยังมหาอุปการะให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกผู้อาศัยอาหารเลี้ยงชีพสเพสตาหารติทิกาเนี่ยนะโดยเฉพาะสัตว์โลกเนี่ยเกิดมายังไงก็ต้องอาศัยกับพีิงกระาหารถ้าฝนไม่ตกอย่างเดียวจะกินอะไรอ่ะสมมติท่านโลกของเราเนี่ยฝนไม่ตกสัก10ปีนะจะทานอะไรกันไม่มีทานตั้งแต่3ปีแรกแล้วสยถึง5ปี10ปีที่นรอกถ้าไม่ตกทั่วโลกเลยนะภายใน3ปีนี้ไม่มีอะไรกิน ไม่มีอะไรทานเลยแหละในที่สุดก็สละนะสละอะไรสละชีวิตให้เป็นทานทำยังไงบอกว่าในการนั้นเราคิดอย่างนี้ว่าเรากับหมู่ญาถูกบีบคั้นเพื่อจะเปลื้องมูย่าให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรเนาะเราคิดแล้วได้เห็นความสัตว์อันเป็นอัตเป็นธรรมว่า ความสัตว์นี่แหละเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติได้เราตั้งอยู่ในความสัตว์แล้วจะปลดเปลื้องความพิราษใหญ่ของหมู่ญาตินั้นได้เรานึกถึงธรรมของสัตว์บุรุษคิดถึงความไม่เบียดเบียนอันอันสัตยั่งยืนเที่ยงแท้ในโลกซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วได้ทําสัตจักกิริยาคําว่าสัตธรรมังคือระลึกถึงธรรมระลึกถึงธรรมคือความไม่เบียดเบียนสัตว์แม่ตัวแม้แต่ตัวหนึ่งของสัตว์บุรุษ คือคนดีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ที่เป็นสัตว์บรุษจริงๆเนี่ยจะไม่น้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์เราอื่นเลยะนะอย่างที่บอกว่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บสัตว์ทุกตัวกลัวทุกผู้ที่รู้เช่นนี้แล้วไฉนจึงต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นเล่าเพร้นผู้ที่ระลึกถึงคุณธรรมระลึกถึงธรรมอย่างนี้ได้ก็ไม่น้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดที่เบียดเบียนสัตว์อื่นเลยพระประเจกพระพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ประมาังวิจินตยังเราคิดถึงสัตจะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั้นอันมีสภาพไม่วิปริตยังโลเกทวัสตัง น, นะสัตธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ในโลกคือการไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งของพระประเจกของพระพุทธเจ้าของพระปเจกพระพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเหล่านั้นดารงอยู่ในความไม่ เบียดเบียนโดยเฉพาะท่านรู้ถึงธรรมที่ไม่เบียดเบียนเป็นอารมณ์เลยนะธรรที่ไม่เบียดเบียนเลยคืออะไรบีบคันเนี่ยเป็นชื่อของทุกขสัจจะไม่บีบคั้นไม่เบียดเบียนก็เป็นชื่อของนิโรสัจจะเพราะฉะนั้นท่านท่านตรัสรู้ธรรมที่ไม่เบียดเบียนแล้วท่านจะน้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นทําไมเนี่ยนะมันก็ละเลิกถึงความไม่เบียดเบียน เราได้คิดถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นอันยั่งยืนเที่ยงแท้โดยความเป็นจริงตลอดการทั้งปวงก็ได้ทำสัจจะกิริยาบัดนี้พระโพธิสัตว์ซึ่งมีร่างเช่นกับสีปุ่มแก่นไม้อันชันแสดงว่าเป็นเป็นปลาตัวใหญ่งามประสงค์จะรับเอาธรรมะนั้นซึ่งมีอยู่ในตนซึ่งคุณธรรมอันนี้ก็มีอยู่ในท่านอยู่แล้วนะว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วประกอดคาพูดที่เป็นสัจจะ จึงคุยเปลือกตมสีดำออกเป็นออกเป็นสองข้างลืมตาทั้งสองแง้มมองดูอากาศแหมเป็นวีรกรรมยิ่งใหญ่นะถ้าโผลโลตัวออกมาจากโคลนตมแล้วอีกาจิกไปจะทำไงอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการเสียสละที่สูงมากนะจากการแหวกโคลนตมพ้นลืมตาดูดูท้องฟ้าเนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าตั้งแต่เราระลึกตนได้ ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้เราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกหาใหญ่เอามาอย่างนึกในใจเอะพระโพธิสัตว์ที่ท่านไปเกิดเป็นปลาสแสดงว่าท่านชอบเลี้ยงปลาหรือเปล่าเนาะชอบดูปลามีความสุขไปที่ไหนก็มีแต่บ่อปลาเลยนะ ไปตามร้านอาหารต่างๆก็มีปลามาขั้งมาอะไรเป็นต้นคนก็มายืนชี้ดูโน่นดูนี่โอ้สวยจังเลยชื่นชมกันเน่ยนะนั่นแหละสาเหตุให้ไปเกิดเป็นปลา<ส>บทว่ายะโตปัตโตสมิวิญยุตังตั้งแต่เรารู้ความที่วินยุชนรู้แล้วในสิ่งอันควรทํานั้นนั้เชื่อว่ารู้ความที่วินยุชนรู้แล้วเพราะสา ม, มารถระลึกถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เราจากนี้ไปด้วยการงอนนขึ้นไปเบื้องบนในระหว่างนี้แม้เกิดในที่จะต้องกินสัตว์ที่มีชาติเสมอกันเราก็ไม่เคยกินปลาแม้ประมาณเท่ารำข้าวสารคือท่านไม่เคยตั้งเจตนาเพื่อจะฆ่าสัตว์กินเลยะนะเราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์ไร่รๆแม้อื่นไม่ต้องพูดถึงฆ่าเอเตนะสัตว์ชวัดเชนะ เรากล่าวถึงความไม่เบียดเบียนสัตว์รายอันใดหากการไม่เบียดเบียนนั้นเป็นความจริงไม่วิปริตด้วยสัจจวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกเถิดพญาปลาเนี่ยนะกล่าวว่าขอเมฆจงปลดเปลื้องหมู่ญาติของเราให้พ้นจากทุกเถิดแล้วก็ตรัสเรียกปัจชุนะเทวราชดุดบังคับคนรับใช้ของตนว่าแน่ปัจชุนะท่านจงเปล่งสายฟ้าคำรามให้ฝนตก จงทําคุมทรัพย์ของกาให้พินาฏไปท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศกบทว่ากากลางโศกายะรันเทหิเนี่ยนะท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกความว่าเมื่อฝูงกาไม่ได้ปลาในสระใหญ่นี้ซึ่งมีน้ําเต็มจากเศร้าโศกเหมือนน ท่านจงยังเปลือกตมนี้ให้เต็มยังฝูงกานั้นให้เดือดร้อนด้วยความโศกท่านจงยังฝนให้ตกเพื่อให้กาเศร้าโศกกาในเสียใจสิไม่มีปลากินนะไม่มีปลาขึ้นมาตายให้กินกับเสียใจว่านั้นอธิบายว่าท่านจงทําโดยอาการที่ฝูงกาถึงความเศร้าโศกอันมีลักษณะจ้องดูภายในบทว่ามัชเฉโสกาปโมจยะจงปลดเปื้องฝูงปลาจากความโศก คือจงปลดเปลื้องฝูงปลาทั้งหมดซึ่งเป็นญาติของเราให้พ้นจากความเศร้าโศกคือให้พ้นจากความตายเถิดจริงอยู่ปลาทั้งหลายมีความเศร้าโศกคือความตายอยู่อย่างใหญ่หลวงว่าพวกเราจะถึงความเป็นอาหารของศัตรูเพราะไม่มีน้ำเสีย จ, จะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยนะโอ้ยคนจะตายคิดดูมจะเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นความโศกเกิดขึ้นด้วยความกรุณาของพระโพธิสัตว์ เต็มไปด้วยความการุณาเพราะอาศัยความพินาศย่อยยับของเหล่าปลาคือพระโพธิสัตว์ท่านเสียใจมากเลยนะที่เห็นญาติก็ค่อยทยอยตายไปเรื่อยไปเรื่อยกาเนี่ยจิกกินไปเรื่อยท่านก็เสียใจกรุณาก็กระตุ้นเตือนมาทํำยังไงนะเขาจะได้พ้นจากความทุกข์เพราะใจของท่านเปี่ยมไปด้วยความคิดที่จะช่วยให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์เพราะการุณาคือความคิดที่ปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุก์เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของเขา บอกถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเป็นต้นเนั้นสามัญญาสานึกของท่านมีแต่อย่างนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสเรียกปัจชุนะเทพบุตรดุดบังคับคนรับใช้ของตนให้ฝนหาใหญ่ตกทั่วแคว้นโกศลด้วยเดชแห่งศีลของพระโพธิสัตว์ปันดุ ก, กรรมพลศิลาอาศของเท้าส ก, ก่าแสดงอาการร้อนตลอดการด้วยสัจจะกิริยานั้นเท้าส ก, ก่ารำพึงว่าอะไรหนอครั้นทราบเหตุนั้นแล้วจึงรับสั่งให้เรียกวัสสวาลาหก เทวราชมาแล้วก็มีเทวบัญชาว่านี่แน่เจ้าพญาปลาเนี่ยนะคือมัชราชเนี่ยพญาปลาเนี่ยผู้เป็นมหาบุรุษปรารถนาจะให้ฝนตกเพราะความเศร้โาโศกท้าวสกะน้รู้นะว่าคนนี้คือพระโพธิสัตว์ต้องการเพราะอะไรเพราะความตายของญาติทั้งหลายเจ้าจงทำเมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วให้ฝนตกทั่วแคว้นโกศลเถิด วะสาวลาหเทวราชรับเทวะบัญชาแล้วนุ่งเวลาอ่นุ่งนุ่งเวลา6 ก, ก้อนหนึ่งหมเวลาห ก, ก้อนหนึ่งเพลงขับสายฝนบ่ายหน้าไปยังโลกด้านทิศตะวันออกบางคนก็บอกเอก็ไม่เห็นมีเทวดาอะไรเนี่ยอยู่ในเมฆกันนะก็อย่างเขาเรียกว่าปีศาจครุกฝนเดินชนกันยังมองไม่เห็ น, นจะไปต้องพูดถึงเทวดาระดับสูงอะไรหรอกทางด้านทิศตะวันออกก้อนเมฆก้อนหนึ่งประมาณเท่า บริเวณลานก็ได้ตั้งขึ้นร้อยชั้นพันชั้นแสดงว่าเมฆเนี่ยก่อตัวหนาขึ้นเป็น20เป็นเป็นสิบกิโลว่างั้นเหรนะคำรามเปล่งสายฟ้าไหลลงมาเหมือนหม้อน้ําที่คว่ําหลังน้ําใหญ่ท่วมแควนโกลสนทั้งเส้นเมฆเนี่ยบางทีมันหนาเป็น10บสิกโนะบางทีก็หนาเกิน10บกิโลเนี่ยนะหนาจริงๆเลยนะเพราะนั้นฝนก็ตกมาไม่ขาดสายครู่เดียวเท่านั้นแหละสระใหญ่นั้นก็น้ําก็เต็ม สะตัวนี้ก็น่าจะแปลว่าบึงนะบึงใหญ่เป็นที่ไหลที่รวมของน้ํำนะไหลนองมาปลาทั้งหลายก็พ้นจากมรณะไผ่กาทั้งหลายก็กาเป็นต้นก็หมดที่พึ่งเพราะนะเพราะอะไรเพราะอดกินปลาเล ย, ยงั้นไม่เฉพาะปลาอย่างเดียวเท่านั้นแม้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังข้าวกล้าทั้งหลายให้งอกงามแม้สัตว์สองเท้าเป็นต้นทั้งหมดที่อาศัยฝนเลี้ยงชีวิตก็พ้นจากทุกข์กายและทุกใจนี่นะ ที่พระองค์ตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทําสัจจะกิริยาเมฆ ก, ก็ส่งเสียงสนัน่นคลื่นอย่างฝนให้ตกครู่เดียวก็เต็มเปี่ยมทั้งที่ดอนและที่ลุ่มเราทําความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความสัต์อย่างประเสริฐเห็นป่านี้แล้วอาศัยกําลังอนุภาพความสัต์จึงยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัต์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของเราเนี่ยนะ เร่ยกว่าด้วยอนุภาพของกําลังสัจจะนี้ทำให้ฝนตกลงมาหาใหญ่พระโพธิสัตว์นั้นมีใจร่าเริงด้วยกรุณาอย่างนี้ได้ปลดเปลื้องมหาชนจากมรณะทุกข์ด้วยยังฝนหาใหญ่ให้ตกทั่วแวนแ่นแคลนเมื่อสิ้นอายุก็ไปตามยถากรรมก็สุดแท้แต่กรรมะนะว่าก่อนตายระลึกถึงกรรมใดแต่ไม่ต้องห่วงท่านหรอกท่านเป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะของผู้ที่ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นปลาเนีสิไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยนะ ปัจจุณะเทวราชครั้งนั้นก็เป็นพระอนนท์ะนะผู้ที่บรรดาลให้ฝนตกครั้งนั้นนะนะฝูงปลาก็คือพุทธบริษัทพุทธบริษัทสมัยนั้นยังเคยเกิดเป็นปลาเลยเ อ, อ่ะพระยาปลาก็คือพระโลกนาฏคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์เกิดในกำเนิดปลาในที่ที่จะกินสัตว์ที่มีชาติเสมอ ก, กันกับตนแล้วก็ไม่กินสัตว์อะไรๆเช่นปลาแม้เพียง ตัวเล็กเท่ารำเข้าสารปลาตัวเล็กตัวน้อยท่านก็ไม่กินเลยนะหมายความว่าคำมันไม่กินปลาหมายความว่าปลาตายๆเนี่ยท่านไม่กินท่านไม่กินเลยแต่ว่าถามว่าเอาแล้วกินอะไรล่ะพวกนี้ก็กินพวกคโครนกินอุจจาระกินอะไรไปนั่นแหละก็ปลาเนี่ยนะบอกว่าเขาเลี้ยงปลานี่ก็ใช่อะไรเลี้ยงก็ใช้ขี้หมูเลี้ยงเป็นต้นนั่นแหละท่านพวกนี้ก็กินอุจจาระกินอะไรทั่วไปหมดนันก็กินซากสัตว์ตายนั่นแหละ การไม่กินก็ช่างเถิขดขณะเดียวกันก็ยังไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คุณธรรมอีกอันหนึ่งนะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้สัตว์อื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็ยังมีสัตว์จะวาจะทำฝนให้ตกลงมาอีกด้วยเมื่อน้ำแห้งด้วยความกล้าไม่คำนึงถึงทุกที่ตนจะได้รับก็ยังเรียก อ, อะไรนะยังโผล่แหวกเปือกตม โผลกออกมากเพราะอะไรเพราะเมื่อมูยาทนไม่ไหวจึงทำทุกนั้นเอาไว้ในใจด้วยตนช่วยเหลือโดยทุกวิธีพยายามค้นคิดว่าจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกได้อย่างไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นคุณธรรมของใครมัชราชจริยา